พระธรรมคำสอนของพระพุทธเจ้าเพื่อนำเราไปใช้ให้เกิดประโยชน์สุขแก่ชีวิตจิตใจของพวกท่านทั้งหลายสิ่งที่พวกเราทุกคนในโลกนี้ต้องการกันก็คือความสุขกันไม่ต้องการความทุกข์กันแต่ทำไม เราจึงมักจะไม่ได้ความสุขที่เราต้องการกันกลับไปได้ความทุกข์ที่เราไม่ต้องการกันก็เพราะว่าเราไม่รู้ว่าความสุขในโลกนี้มีอยู่กี่แบบนั่นเองความสุขในโลกนี้มีอยู่สองแบบด้วยกันคือความสุขแท้กับความสุขปลอม ความสุขแท้ก็คือความสุขที่ไม่มีความทุกข์เป็นความสุขล้วนๆส่วนความสุขปลอมนี้เป็นความสุขที่มีความทุกข์ซ่อนติดมาด้วยเรียกว่าเป็นความสุขปลอมเพราะว่าเป็นความสุขที่จะกลายเป็นความทุกข์ต่อไป ความสุขที่พวกเรารู้จักกันและหากันอยู่นี้เป็นความสุขปลอมเป็นความสุขที่มีความทุกข์ซ่อนติดมาด้วยเป็นเหมือนอายาขมเคลือบน้ำตาลเวลาอมยาขมเคลือบน้าตาลใหม่ๆจะได้สัมผัสกับรสหวาน แต่พอน้ำตาลที่เคลือบอยาขมนั้นจางหายไปหมดไปลดของความขมก็จะปรากฏขึ้นมาความสุขที่พวกเราหากันนี้ก็เป็นความสุขที่เคลือบความทุกข์เป็นความสุขผิวบางๆที่จะจางหายไปพอความสุขนั้นหายไปความทุกข์ที่ถูกความสุขเคลือบอยู่ ก็จะปรากฏขึ้นมาเพราะเราจึงมักจะหนีไม่พ้นจากความทุกข์กันทุกข์กับทุกสิ่งทุกอย่างที่เราได้มาที่เราหามากันเพราะเวลาที่เราหามาได้มาเราจะรู้สึกว่าเราได้ความสุขกันแต่พอเวลาผ่านไปสิ่งที่เราได้มามันก็เปลี่ยนไป ความสุขที่ได้มามันก็จางหายไปความทุกข์ก็เข้ามาแทนที่นี่คือความสุขที่พวกเรารู้จักกันคือความสุขจากโลกธรรมคือลาบโยนรรสรรเส ร, ริญและความสุขจากรูปเสียงกลิ่นรสผดพทพะชนิดต่างๆที่เราสัมผัส ด, ด้วยตาหูจมูกลื่นกายของพวกเรา ความสุขของโลกธรรมนี้เป็นความสุขที่มีความทุกข์ตามมาเพราะเป็นความสุขที่ไม่แน่นอนเป็นความสุขที่มีการเจริญแล้วก็มีการเสื่อมไปเป็นธรรมดามีการเปลี่ยนไปพิกไปจากใหม่กลายเป็นของเก่าไปจากดีกลายเป็นของไม่ดีไป ก็จากของที่ใช้ได้กลายเป็นของที่ใช้ไม่ได้ไปจึงทำให้เกิดความทุกข์ตามมาเพราะความสุขที่เราได้มันหายไปมันหมดไปนั่นเองนี่คือสิ่งที่พวกเราหากันทุกคนด้วยความหลงด้วยความคิดว่าเป็น วิธีการหาความสุขเราจึงหาลาบยศสรรเสริญหารูกเสียงกลิ่นรสต่างๆ ม, มาเสพมาสัมผัสอยู่เรื่อยๆพอมันจางหายไปมันหมดไปเราก็ต้องไปหากันใหม่หากันไปเรื่อยๆจนกว่าร่างกายของเราที่เป็นเครื่องมือในการ หาความสุขแบบนี้มันจะมีปัญหาขึ้นมาร่างกายของเรานี้จะไม่สมบูรณ์แข็งแรงไปตลอดจะต้องมีวันแก่จะต้องมีวันเจ็บไข้ได้ป่วยอาจจะเจ็บไข้ได้ป่วยมากบ้างน้อยบ้างอาจจะเป็นการเจ็บไข้ได้ป่วยแบบถาวรบ้างเช่นพิกลพิการ เป็นความเจ็บไข้ได้ป่วยที่ชั่วคราวมันก็เป็นความทุกข์เพียงชั่วคราวช่วงที่เราเจ็บไข้ได้ป่วยเราก็จะไม่สามารถไปหาความสุขจากราบยศสรรเสริญจากรูปเสียงกลิ่นรสผลิตภัณฑ์ได้แต่พอเราหายจากอาการเจ็บไข้ได้ป่วยเราก็ไปหา ความสุขกันใหม่แต่ถ้าเราไปเจอความเจ็บไข้ได้ป่วยที่เป็นแบบยาวนานหรือถาวรเช่นเป็นโรคอมพตกอ ม, า พ, กอมาพาตเป็นโรคพิการทางอาวัยวะต่างๆความสามารถในการหาความสุขจากราบยศเสริเสริญจากรูปเสียงกิ่นรถผลิตภัมันก็จะ หมดไป <Yeah. S 1> เมื่อเราไม่มีความสุขไม่ได้ความสุขจากลาบยศสรรเสริญจากรูปเสียงกลิ่นเราเราก็จะมีแต่ความทุกข์กัน <Yeah. S 1> นี่คือความสุขปลอม <Yeah. S 1> เป็นความสุขเหมือนกับเหยื่อที่ติดอยู่ปลายเบ็ดเหยื่อที่ติดอยู่ปลายเบ็ดนี้ถึงแม้ว่าจะเป็นอาหารอันโอชะสาหรับปลา yeah. แต่พอไปตะคุบอยู่เขาแล้ว<ม>ก็จะถูกตะขอเบ็ดเกี่ยวปากต่อไปนี่แหละคือความสุขที่พวกเรารู้จักกันที่หากันอยู่นี้เป็นความสุขแบบนี้เป็นความสุขที่ไม่แน่นอนไม่ถาวรได้มาแล้วไม่ช้าก็เร็วก็จะจางหายไปเสื่อมไปหมดไป แล้วพอหายไปเสื่อมไปหมดไปความทุกข์ความเศร้าโศกเสียใจก็ตามมา <Yeah. S 1> แต่เนื่องจากเราไม่รู้จักความสุขที่แท้จริงว่าเป็นอย่างไรเราก็ต้องทนทุกข์กับมันไป <Yeah. S 1> ก็นอกจากว่าถ้าเราโชคดีเราได้พบกับคำสัง่งคำสอน ของพระพุทธเจ้าที่ได้ค้นพบความสุขที่แท้จริงความสุขที่จะไม่มีความทุกข์ตามมาแล้วถ้าเราได้ศึกษาและได้ปฏิบัติตามคําสั่งคําสอนของพระพุทธเจ้าเราก็จะสามารถเข้าหาความสุขที่เป็นความสุขที่แท้จริงได้เป็นความสุขที่จะไม่มีความทุกข์ตามมา เป็นความสุขที่ถาวรเป็นความสุขที่จะอยู่กับเราไปตลอดนี่แหละคือความดีความงามของพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์คือผู้ที่จะชี้บอกให้พวกเราได้พบกับความสุขที่แท้จริงที่จะทำให้พวกเรานี้ไม่ต้องมาทุกข์มาล่องห่มล่องห้าง มาเศร้าโศกเสียใจมาเครียดมาวิตกมากังวลกับเรื่องราวต่างๆกับเหตุการณ์ต่างๆเพราะเราจะได้พบกับความสุขที่ไม่จำเป็นที่จะต้องอาศัยลาบยศสรรเสริญไม่ต้องอาศัยรูปเสียงกลิ่นรสไม่ต้องอาศัยตาหูจมูกร่นกาย ที่เป็นสิ่งที่ไม่ถาวรเป็นสิ่งที่จะต้องมีวันเสือ่อมจะต้องมีวันสิ้นสุดลงไปนั่นเองนี่แหละทําไมเราจึงต้องเข้าหาพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์ทําไมเราต้องมาศึกษาพระธรรมคาสั่งคําสอนของพระพุทธเจ้าพราะพวกเราทุกคนต้องการความสุขกันไม่ต้องการความทุกข์กัน และคำตอบก็อยู่ที่คําสั่งคําสอนของพระพุทธเจ้านี่เองที่จะให้เราได้พบแต่ความสุขให้เราไม่ต้องเจอกับความทุกข์อีกต่อไปเราจึงต้องศึกษาคําสั่งคําสอนศึกษาวิธีที่จะทำให้เราได้พบกับความสุขที่แท้จริงกันความสุขที่แท้จริงนั้นก็มี สามระดับด้วยกันความสุขที่มีน้อยแล้วเพิ่มขึ้นไปตามลาดับจนถึงความสุขที่มากเต็มร้อยอยู่ที่การปฏิบัติตามคำสั่งคำสอนของพระพุทธเจ้า<ม>คือให้เรามาสร้างความสุขทางใจกันอย่าไปสร้างความสุขทางลาบยศสรรเสริญ ทางรูปเสียงกลิ่นรสผลตภะกันให้มาสร้างความสุขด้วยการทําใจของเราให้สงบกันเวลาใจเราสงบแล้วใจของเราจะเกิดความสุขขึ้นมาอีกแบบหนึ่งเป็นความสุขที่มั่นคงเป็นความสุขที่หนักแน่นกว่าความสุขที่เราได้ จากราบยศสรรเสริญจากรูปเสียงกลิ่นรสผลตถาภะความสุขสามระดับนี้ก็คือระดับที่หนึ่งเรียกว่าความสุขที่เกิดจากการทําบุญทำทาน <Yeah. S 1> ความสุขระดับที่สองก็คือความสุขที่เกิดจากการรักษาศีล <Yeah. S 1> ความสุขระดับที่สก็คือความสุขที่เกิดจากการปฏิบัติธรรมคือการบําเพ็ญจิตตภาวนา yeah. การทำใจให้สงบสอนใจให้ฉลาดด้วยปัญญาที่จะทำให้ใจนี้ตั้งอยู่ในความสงบได้ทำให้ใจนี้มีความสุขขึ้นมาในตัวของตนเองไม่ต้องไปหาความสุขจากสิ่งภายนอกอีกต่อไปแต่ในเบื้องต้นก่อนที่เราจะเข้าถึงความสุขระดับของการปฏิบัติทำได้ เราก็ต้องอาศัยความสุขระดับการทําบุญทําทานความสุขจากการรักษาศีลไปก่อน mm hmm. เพราะเป็นขั้นบันไดที่เราจะต้องไต่เต้าขึ้นไปเหมือนกับการเรียนหนังสือก่อนที่เราจะเข้ามาหาวิทยายลัยได้่อนที่เราจะจบปริญญาตรีโทเอกได้เราก็ต้องผ่านการเรียนในระดับประถมระดับมัธยมก่อน เพราะว่าเป็นการกระทำที่ยากขึ้นไปตามลําดับนั่นเองถ้าเรียนชั้นสูงนี้ต้องใช้ความสามารถมากถ้าเวลาเริ่มต้นนี้จะไม่สามารถไปเข้าที่มหาวิทยาลัย ไ, ได้เพราะความรู้ความสามารถในการเรียนยังมีไม่มากพอก็ต้องเริ่มจากขั้นที่ง่ายไปก่อนคือขั้นปถม สมัยนี้นอกจากขั้นปฐมแล้วยังมีขั้นก่อนปฐมคือขั้นอนุบาลเข้ามาเองเพราะว่าเป็นการฝึกเรียนวิธีที่ง่ายๆก่อนแล้ค่อยหัดเรียนวิธีที่ยากขึ้นไปตามลาดับความสร้างความสุขภายในใจนี้ก็เหมือนกันเราก็สร้างด้วยวิธีที่ง่ายก่อนที่เราสามารถทำกันได้ใน ตอนที่เราเริ่มต้นก็คือการทำบุญทำทานเวลาเราเสียสละแบ่งปันข้าวของเงินทองที่เรามีมากเกินกว่าความต้องการของเราเกินกว่าความจำเป็นความจำเป็นของเราคืออะไรคือการมีปัจจัยสี่คืออาหาร<ม>เครื่องนุ่งห่มที่อยู่อาศัย อยารักษาโรคไว้เพื่อมาเลี้ยงดูร่างกายของเราให้อยู่เป็นปกติสุขนี่คือสิ่งที่เราต้องมีกันคือปัจจัยสี่ถ้าเราต้องการให้ร่างกายของเราอยู่อย่างสุขสบายอยู่อย่างไม่ทุกข์ไม่ยากไม่เดือดร้อนเราจาเป็นต้องมีปัจจัยสี่กันดงนั้นชีวิตของเราส่วนหนึ่งนี้ ก็ต้องใช้ไปกับ ก, บการหาปัจจัยสี่มาเลี้ยงดูร่างกายของเรา mm hmm. เมื่อเรามีปัจจัยสี่เราก็จะได้มีความสุขทางร่างกาย mm hmm. แต่ถ้าเราต้องการความสุขมากกว่าความสุขที่เราได้รับจากทางร่างกายนี mm hmm. เราก็มีสองทางเลือก คือไปหาความสุขปลอมกันเช่นไปหาความสุขจากรูปเสียงกลิ่นรสผลพระชนิดต่างๆเช่นเวลาเราไปดูภาพยนตร์ไปดูมหาสับันเทิงต่างๆเราก็ได้ความสุขมาแต่ความสุขแบบนี้มันเป็นความสุขแบบชั่วคราวและเป็นความสุขที่เป็นเหมือนยาเสพติด เพราะถ้าเราได้เสพความสุขแบบนี้เราจะติดแล้วเราจะต้องคอยเสพอยู่เรื่อยๆเวลาที่เราไม่ได้เสพเราจะรู้สึกหมดหย็ดลำคาญใจในช่วงที่มีโรคระบาดแพร่ขยายใหม่ๆนี้พวกเราต้องถูกกักตัวกันอยู่ในบ้านไม่สามารถออกไปนอกบ้านเพื่อไปหาความสุข ไปเที่ยวตามสถานที่ต่างๆได้โยนั้นเราจะรู้สึกหดเหยียดลำคาญใจที่ต้องอยู่แต่ภายในบ้านก็เพราะว่าเราติดกับการออกหาความสุขนอกบ้านกันนั่นเองต้องไปเที่ยวที่นั่นต้องไปเที่ยวที่นี่ต้องไปดูต้องไปฟังอะไรต่างๆความสุขแบบนี้มันจึงมีความทุกข์ตามมาเพราะเป็นความสุขแบบ ชั่วคราวได้มาแล้วก็หมดไปต้องคอยเติมอยู่เรื่อยๆ เ, เวลาที่ไม่ได้เติมก็จะเกิดความทุกข์ขึ้นมา <Yeah. S 1> อีกวิธีหนึ่งก็การไปหาความสุขแบบที่แท้จริงคือความสุขแบบที่ไม่มีความทุกข์ตามมา <Yeah. S 1> ก็คือความสุขที่เกิดจากการทำบุญ <Yeah. S 1> ทำทานนี่ <Yeah. S 1> ถ้าเราหลังจากที่เรา ทำงานทำการมีรายได้แล้วมีเงินทองมากกว่าที่เราจะต้องใช้กับการเลี้ยงดูร่างกายของเรา <Yeah. S 1> เราก็เอาเงินทองนี้มาทำบุญทำทานกันก็ได้ <Yeah. S 1> หรือเอาเงินทองนี้ไปซื้อความสุขทางตาหูจมูกลิ้นกายก็ได้แต่ความแตกต่างของความสุขสองแบบนี้มันต่างกัน yeah. ความสุขที่เกิดจากการทำบุญทำทานเป็นความสุขที่ไม่ทำให้เราติด <Yeah. S 1> คือถ้ามีเราก็ทำถ้าเราไม่มีเวลาที่เราไม่ได้ทำเราก็จะไม่รู้สร็จเดือดร้อน <Yeah. S 1> แล้วความสุขที่ได้จากการทำบุญทำทานนี้ <Yeah. S 1> ก็จะมีความหนักแน่นกว่าความสุขที่ได้จากการไปเที่ยวไปใช้เงินทอง หาความสุขทางตาหูจมูกนิ้งกายเวลาเราทำบุญทำทานกันแนละ้วเราเราู้สึกมีความสุขใจอิ่มใจสบายใจมีความรู้สึกภูมิใจที่เราได้ทำในสิ่งที่เราต้องต่อสู้คือต้องเอาชนะความตนีของเราต้องเอาชนะความหึงหวง เงินทองของเราด้วยการใช้เหตุผลเหตุผลก็คือเงินทองที่เรามีเหลือกินเหลือใช้ถ้าเราเก็บไว้มันก็ไม่เป็นประโยชน์อะไรตายไปเราก็เอาไปไม่ได้ <c oughs> นอกจากส่วนหนึ่งที่เราต้องเก็บไว้เผื่อวันข้างหน้าถ้าเกิดมีเหตุการณ์ที่ทาให้เราไม่สามารถหาเงินทองมาได้เราก็ต้องอาศัยเงินทอง ที่เราเก็บสะสมไว้เป็นสำหรับค่าใช้ใจ่ายที่จำเป็นต่างๆถ้านอกจากนั้นแล้วเงินทองที่มีมากเกินกว่าความจำเป็นนี้มันไม่มีประโยชน์อะไรปล่อยไว้เฉยๆมันไม่ได้ทาให้เราเกิดความสุขขึ้นมาถ้าเราเอาไปใช้ในทางตาหูจมูกลิ้นกายก็เหมือนกับไปซื้อยาเสพติดได้ความสุขก็จริงแต่จะได้ความทุกข์ เพราะจะติดยาเสพติดเราจะต้องใช้เงินเพื่อไปซื้อความสุขจากยาเสพติดอยู่เรื่อยๆแล้วเวลาเงินหมดก็จะเดือดร้อนไม่มีไม่มีเงินที่จะซื้อยาเสพติดมาเสพแต่ถ้าเราใช้เงินเพื่อไปทำบุญทาทานนี้มันจะไม่เป็นยาเสพติดมันจะไม่ทำให้เรารู้สึกติดเวลาที่เราไม่มีเงินทองที่จะทำบุญ เราจะไม่เดือดร้อนเราจะรู้สึกเฉยเฉยเวลาทําบุญความสุขที่เราได้จากการทําบุญมันก็จะอยู่กับใจเราไปนานด้วยบางทีเราทําบุญมาหลายเดือนแล้วผ่านไปเวลาที่เราคิดถึงบุญที่เราทํานั้นเราก็ยังเกิดความรู้สึกมีความสุขใจขึ้นมาต่างกับความสุขที่เราได้จากการไปเที่ยวไปดูไปฟัง เวลาเรามองกลับไปถึงความสุขเหล่านั้นมันกลับทำให้เรารู้สึกอยากจะไปเที่ยวใหม่อยากจะไปดูใหม่แล้วถ้าเราไม่ได้ไปเที่ยวไม่ได้ไปดูใหม่เราก็จะรู้สึกไม่สบายใจขึ้นมาอนี่คือวิธีแรกของการที่เราจะมาสร้างความสุขที่แท้จริงกันก็คือให้เรามาสร้างความสุขด้วยการทำบุญทำทานกัน แล้วจะทำให้เราตัดความอยากที่จะใช้เงินไปซื้อความสุขทางที่เป็นยาเสษติดได้ถ้าเราทำบุญทำทานกันอยู่เรื่อยๆทุกครั้งแทนที่เราจะเอาเงินไปเที่ยวไปกินไปดื่มกันเราก็าไปทำบุญทำทานกัน <Yeah. S 1> เราก็จะตัดความอยากไปเที่ยวได้ตัดความอยากไปกินไปดื่มไปทำอะไรกันได้ <Yeah. S 1> ทำให้เรานี่ ไม่ติดเที่ยวไม่ติดการไปใช้เงินใช้ทองแบบไม่จำเป็นกันแบบฟุม่มเฟือยกันเมื่อเราไม่ติดเที่ยวไม่ติดการใช้เงินใช้ทองแบบฟุม่มเฟือยกันเราก็ไม่จาเป็นที่จะต้องไปหาเงินทองมากเพราะว่าหามาเราก็ไม่ได้ใช้เหมือนหามาเราก็เอาไปทาบุญทําทานหรือเ ก, ก็บสารองไว้แต่ถ้าเรามีพอเพียงแล้ว เราก็ไม่ต้องลื่นหลนมากไม่ต้องไปทำงานหนักและการทำงานที่เเพื่อหาเงินมาเพื่อเอามาใช้กับความอยากต่างๆนี้มันจะใช้มากอยู่เรื่อยๆมีมากก็จะใช้มากขึ้นไปว่ามีของราคาที่มันแพงขึ้นไปอยู่เรื่อยๆให้เราซื้อกันเช่นตอนต้นอีจะมีเงินซื้อรถแบบราคาต่ำราคาสี่ห้าแสนหกเจดแสน พอมีเงินเพิ่มขึ้นมามากก็อยากจะซื้อรถที่มีราคาแพงขึ้นไปจากหกเจ็ดแสนก็เป็นล้านสองล้านพอมากขึ้นไปขนาดนั้นก็อยากจะซื้อเป็นห้าล้านสิบล้านขึ้นไปมันก็เป็นรถเหมือนกันมันก็เป็นสินค้าแบบเดียวกันทำหน้าที่ได้เหมือนกันพาเราเดินทางไปไหนมาไหนได้เหมือนกันแต่ความอยากของเราความหลงของเรานี้มันจะหลอกเราให้เราคิดว่า ซื้อรถที่มีราคาแพงแล้วเราจะได้ความสุขมากขึ้นแต่มันก็เป็นความสุขแบบเดียวกันมากก็จริงแต่มันก็มากเดียวเดียวดีใจตอนที่ได้มาใหม่ๆ mm hmm. อร่งี้พอซักระยะหนึ่งแล้วความสุขความดีใจที่ได้จากการได้ซื้อของที่เราอยากได้มันก็หมดไปแล้วมันก็ทำให้เราอยากจะซื้อของที่แพงกว่านี้เพื่อเพื่อที่เราจะได้มีความรู้สึกมีความสุขมากกว่านี้ มันก็จะหลอกให้เราต้องไปดิ้นดนหาเงินหาทองกันอยู่ไม่รู้จักจบจากสิน้นได้เท่าไหร่ก็ไม่รู้จักพอเพราะว่าพอมีเงินมากขึ้นก็จะซื้อของที่แพงขึ้นซื้อของฟุ่มเฟือยมากขึ้นซื้อของใช้ที่ไม่จำเป็นมากขึ้นไปตามลำดับเพราะเราขาดไม่ได้พอมันติดแล้วมันต้องคอยซื้ออยู่เรื่อยๆถึงจะมีความสุข วันไหนไม่ได้ใช้เงินไม่ได้ซื้ออะไรแล้วรู้สึกงุดเหยียดลำคางใจขึ้นมาแล้วถ้าเราต้องทำมาหากินหาเงินหาทองแบบนี้มันก็เสี่ยงต่อการที่เราจะต้องไปทำทุจริตบ้าง<ม>จะทำให้เรานี้นักษาศีลได้ยากเ<ม><ม>พราะเวลาที่เราหาเงินหาทองเราต้องการได้แบบมากๆง่ายๆและเร็วๆ วิธีที่ได้ง่ายๆมากๆเร็วๆก็ต้องมีการหลอกกันบ้างมีการพูดปดบ้างมีการช่อโกงกันบ้างอันนี้มันก็จะทำให้เราไม่สามารถที่จะขึ้นไปหาความสุกระดับที่สองคือการระดับรักษาสีนธรรมได้แต่ถ้าเราไม่ใช้วิธีไม่ใช้เงินใช้ทองเพื่อซื้อความสุขแบบนี้ เราใช้เงินใช้ทองด้วยการทำบุญทำทานใจของเรานี้จะไม่หิวไม่โหยกับเรื่องเงินทองจะทำให้เราไม่ต้องดิ้นรนหาเงินหาทองแบบง่ายๆแบบเร็วๆแบบมากๆเราก็ทาหามาหากินแบบสู้สัตว์สุจริได้ไม่ต้องโกหกไม่ต้องหลอกลวงไม่ต้องช่อโกงไม่ต้องทำอาชีพฆ่าสัตว์ตัดชีวิตมันก็จะทำให้เรานี้ สามารถรักษาศีลได้ง่ายแล้วถ้าเรารักษาศีลได้เราก็จะระ ง, งับความทุกข์ที่เกิดจากการกระทำบาปได้เพราะทุกครั้งที่เราทำบาปคือเราทำผิดศีลนี้เราจะมีความรู้สึกไม่สบายใจเวลาเราฆ่าสัตว์ตัดชีวิตเราจะรู้สึกไม่สบายใจเวลาเรารักทรัพย์ชอบโกงทรัพย์ของผู้อื่นเราจะไม่สบายใจ เวลาเราประพฤติผิดประเวณีเราจะมีความรู้สึกไม่สบายใจเวลาที่เราโกหกหลอกลวงเราจะไม่สบายใจแต่ถ้าเราไม่มีการกระทำเหล่านี้ความไม่สบายใจก็จะไม่เกิดขึ้นเมื่อความไม่สบายใจไม่เกิดขึ้นความสบายใจก็จะเกิดขึ้นแทนที่แทนก็คือความสุขใจนีอันนี้คือความสุขใจในระดับที่สอง โดยความสุขใจที่เกิดจากการรักษาศีลศีลก็มีหลายระดับด้วยกันมีทั้งศีลห้ามีทั้งศีลแปดมีทั้งศีลสองร้ยยีดถ้ารักษาศีลได้มากความไม่สบายใจก็จะน้อยลงไปแล้วก็จะทําให้เรานี้สามารถก้าวขึ้นสู่การไปสร้างความสุขในระดับที่สามได้ เกิดในระดับภาวนาเกิดการปฏิบัติธรรมเริ่มต้นเราก็รักษาศี่ห้ากรรนการไปก่อนเพราะเรายังไม่ได้เริ่มปฏิบัติธรรมกันเพราะเรายังอาจจะยังมีการทํางานทําการมีการทําธุรกิจมีการหาเงินหาทองกันอยู่แต่ถ้าเราได้เรียนรู้ว่า ถ้าเราอยากจะมีความสุขมากกว่าความสุขที่ได้จากการทาบุญทาทานความสุขที่มากกว่าการรักษาศีลเราจะต้องไปสร้างความสุขที่เกิดจากการภาวนาคือสมถาภาวนาและวิปัสสนาภาวนาซึ่งการที่เราจะสร้างความสุขระดับนี้ได้เราจาเป็นจะต้องมีเวลาไปปฏิบัตินั่นเอง แล้การที่จะทำให้เรามีเวลาได้เราก็ต้องรักษาสีลแปดเพิ่มจากสีลห้าเพราะถ้าเรารักษาสีนแปเราก็จะงดเว้นกิจกรรมทางตาหูจมูกลิ้นกายไปกิจกรรมทางรูปเสียงกลิ่นลดผดทพัพษไปถ้าเราถือสีลห้าอยู่นี้เรายังไม่ได้ระ ง, งับเรายังสามารถที่จะไปาหาความสุขทางตาหูจมูกลิ้นกายได้อยู่ แต่ถ้าเราต้องการที่จะหาความสุขที่ดีกว่าความสุขทางตาหูจมูกลิ้นกายเราก็จำเป็นที่จะต้องระ ง, งับการหาความสุขทางนี้ด้วยการมาถือสีแปดกันสีแปกก็จะเปลี่ยนสีนข้อสามของสีหน้าจากการไม่ประพฤติผิดประเวณีไปเป็นการประพฤติพรหมจรรย์คือการไม่ร่วมหลับนอนกับคู่ครองของตน คือการไม่หาความสุขจากการ เ, าเสพเสพการไม่หาความสุขจากการร่วมหลับนอนกันเพื่อที่เราจะได้เอาเวลาที่เราใช้ในการร่วมหลับนอนกันนี้มาหาความสุขทางใจกันมาหาความสุขจากการภาวนาการทําใจให้สงบกันนี่เป็นข้อหนึ่งที่เราต้องต้องระงับคือไม่หาความสุขจากการร่วมหลับนอนกัน แล้วก็เพิ่มสี่ข้อที่หกคือเราจะไม่รับประทานอาหารไม่หาความสุขจากการรับประทานอาหารตามความอยากรับประทานอาหารตามความจาเป็นตามความต้องการของร่างกายซึ่งร่างกายนี้รับประทานวันละมือ้อสองมื้อก็พอต่อการต่อความต้องการของร่างกายแล้ว เ, ออเราจึงไม่ต้องรับประทานสามมือ้อ เรารับประทานเพียงมือหรือสองมือก็พอคือไม่รับประทานหลังจากเที่ยงวันไปแล้วเพื่อเราจะได้มีเอาเวลาหลังจากเที่ยงวันไปแล้วนี้มาปฏิบัติกันแทนที่จะมาคอยรอเวลารับประทานอาหารมื้อเย็นต่อเราก็ตัดอาหารมื้อเย็นไปเราจะได้ไม่ต้องมารอคอยมาคอยกังวลกับเรื่องการรับประทานอาหารมื้อเย็นแล้วเวลาที่ว่าง เราก็จะถ้าเราไม่ได้ถือศีลแปดเราก็ยังจะมีเวลาว่างไปดูไปฟังอะไรต่างๆได้อยู่แต่พอเรามาถือศีลข้อที่7คือการระ ง, งับการดูมหรสยบันเทิงต่างๆระ ง, งับการน้อมรำทำเพลงระ ง, งับการเสริมสวยความงานทางร่างกายพะเวลาที่เราไปเที่ยวกันเราก็ต้องเสริมสวยความงานทางร่างกาย เวลาเราไปดูมหัศลศพบันเทิงไปตามสถานที่ต่างๆเราก็ต้องแต่งเนื้อแต่งตัวให้สวยให้งามก็จะเสียเวลามากกว่าจะไปออกงานได้นี่ต้องไปเตรียมเตรียมร่างกายกันเตรียมเสื้อผ้ากันบางทีอาจจะต้องเตรียมหลายวันล่วงหน้าก่อนมีงานใหญ่ต้องมีชุดสำคัญชุดเก่าๆที่มีอยู่นี้ใช้ไม่ได้แนละ้วต้องไปตัดใหม่ไปอะไรใหม่ เวลาก็จะหมดไปกับการเตรียมตัวเพื่อที่จะไปหาความสุขแบบประเดียวประเดาความสุขแบบที่ไปงานเลี้ยงไปงานเลี้ยงสองสามชั่วโมงกลับมามันก็หายไปหมดแล้วเสริมสวยความงานต่างๆพอกลับมาบ้านก็ต้องล้างหน้าล้างตาเตรียมเตรียมเข้านอนก็ต้องเปลี่ยนชุดชุดนอนกันอยูน่นล้ก็เลยเสียเวลามากกับการหาความสุขแบบชื่อลูแลบเล่น่ช่แร๊บเดียวเท่านั้น ช่วเอาเวลาเหล่านี้มาหาความสุขแบบที่ยั่งยืนดีกว่าที่ยาวนานดีกว่าคือความสุขที่เกิดจากการบําเพ็ญจิตตภาวนา น, นั่นเองเราจึงต้องถือศีลข้อ7ศีลข้อ6ก็เพื่อตัดการรับประทานอาหารไม่ให้มันมากเกินไปให้พออยู่ได้เพราะการรับประทานอาหารมากเกินไปก็มีปัญหาทำให้ง่วงเหงาหง่นอนทำให้ขี้เกียจ การภาวนานี้ต้องมีความขยันหมั่นเพียรถึงจะภาวนาได้แต่ถ้าง่วงนอนขี้เกียจก็จะหาหมอนแทนที่จะหาที่นั่งสมาธิก็ไปหาหมอนหาที่นอนกันแล้วก็เลยต้องมาถือสิ่ข้อที่แปดด้วยเรื่องเกี่ยวกับเรื่องที่นอนเรื่องที่นอนก็ไม่ให้นอนบนที่มันสบายเกินไปเพราะเวลามันสบายเกินไปมันก็จะนอนมากเกินไปนั่นเองงั้นก็ต้องนอน บนที่นอนที่ไม่ใหญ่โตไม่โมโหรานไม่เป็นที่นอนสำาราญที่นอนที่เขาขายตามร้านนี้เขาพยายามขายความสุขให้กับเรากันที่นอนชนิดนี้นอนแล้วนอนสบายนอนหลับได้นานได้มีความสุขนานแต่เราผู้ปฏิบัติธรรมนี้ไม่ต้องการหาความสุขจากการหลับนอนเราเลยต้องมานอนบนพืชแข็งๆกันนอนกับพื้นหรือนอนบนเตียงที่เป็นเตียงที่ไม่มีเบาะนี้เป็นต้น ปูด้วยผ้าปูด้วยเสือ่อเพื่อพักผ่อนร่างกายพอร่างกายได้พักผ่อนร่างกายพอเพียงแล้วก็จะไม่นอนต่อพอตื่นขึ้นมาก็อยากไม่ไม่อยากจะนอนต่อเพราะพื้นมันแข็งนอนแล้วมันไม่สบายสู้ลุกขึ้นมานั่งสมาธิหรู้ลุกขึ้นมาเดินจงกรมดีกว่ า, านี่ยคือหน้าที่ของศีลแปดมีไว้เพื่อกาจัด การหาความสุขทางตาหูจมูกนิ้งกายก็ที่เราจะได้มีเวลามาหาความสุขทางใจกันมาฝึกนั่งสมาธิกันมาฝึกสติกันก่อนก่อนที่เราจะนั่งสมาธิทาใจให้สงบได้เราต้องมีสติก่อนเพราะสตินี้เป็นเป็นเหมือนเบรกของใจรถยนต์จำเป็นจะต้องมีเบรก พอเวลารถยนต์วิ่งแล้วเวลาที่จะหยุดรถยนต์ก็ต้องมีเบรกรถยนต์ถึงจะหยุดได้ใจของเราจะสงบก็ต้องหยุดคิดกันถ้าเราไม่หยุดคิดใจของเราก็จะไม่มีวันสงบเมื่อใจไม่สงบใจก็จะไม่เกิดความสุขขึ้นมาดัางนั้นก่อนที่เราจะมาฝึกนั่งสมาธิกันได้เราต้องฝึกสร้างสติกันขึ้นมาก่อนสติก็คือการคอยควบคุมหรือคอยหยุดความคิด อย่าปล่อยให้ใจเราคิดเลื่อยเปื่อยคิดเพ้อเจ้อคิดเพ้อฝันถ้าจะคิดต้องคิดเรื่องที่จําเป็นจริงๆเช่นเวลาทํางานก็ต้องใช้ความคิดกับเรื่องการงานก็ปล่อยให้มันคิดไปแต่พอช่วงไหนที่ไม่ต้องใช้ความคิดแล้วเริ่มคิดกังวลกับเรื่องนั้นเรื่องนี้อยากได้สิ่งนั้นสิ่งนี้ก็ควรที่จะระงับมันดีกว่าคิดไปแล้วทําให้ใจวุ่นวายทำให้ใจฟุ้งซ่านได้เราก็เลยต้องใช้ เครื่องมือในการหยุดความคิดเครื่องมือในหยุดความคิดเยวเราเรียกว่าสติการที่จะมีสติได้เราต้องมีอารมณ์ที่ที่ทำให้จิตเราเกาะไว้อยู่อารมณ์ใดอารมณ์หนึ่งถ้าเรามีอารมณ์เกาะคือมีสิ่งใดที่เราใช้เกาะใจเราได้ใจเราก็จะไปคิดเรื่องต่างๆไม่ได้เช่นกรรมฐานต่างๆนี้เราเรียกว่าเป็นอารมณ์หรือเป็น เป็นที่ที่หยุดความคิดเป็นที่ทำให้ความคิดหยุดได้ถ้าเราใจของเราจดจ่ออยู่กับกรรมฐานใดกรรมฐานหนึ่งกรรมฐานนี้มีอยู่4ี่สชนิดด้วยกันกรรมฐานที่เรารู้จักกันรือได้ยินได้ฟังกันบ่อยๆก็คือพุทธานุสติอันนี้ก็เป็นกรรมฐานอย่า ง, งคือการมีสติแลลกระลึ ก, ละลกถึงพระพุทธเจ้า จะระลึกแบบยาวแบบพิสดารก็ได้จะระลึกแบบสั้นๆก็ได้แบบสั้นๆก็ระลึกคําว่าพุทธโธพุทธโธไปภ่านในใจถ้าระลึกแบบยาวก็สวดอิติปิโสไปอิติปิโสภคกวาอรหังสัมมาถ้าเรามีการระลึกถึงพระพุทธเจ้าเราก็จะไม่สามารถไปคิดถึงเรื่องนั้นเรื่องนี้ได้ ไปกังวลถึงเรื่องนั้นเรื่องนี้ได้เพราะใจเราจะต้องอยู่กับเรื่องนี้อย่างเดียวเวลาใจเราทำอะไรนี้มันจะทำสองสามอย่างพร้อมกันไม่ได้มันจะต้องทำอย่างใดยอย่างหนึ่งถ้ามันทำสองสามอย่างพร้อมกันมันทำไม่รู้เรื่องมันทำแล้วมันทำแล้วทำผิดทำถูกเช่นเวลาเราไม่มีสติเวลาเราทำงานบางทีใจมันไม่ยอมอยู่กับงานมันไปคิดถึงกังวลถึงเรื่องหนี้สินบ้างกังวลถึงเรื่อง คนนั้นคนนี้บ้างเวลาทำงานงานก็เลยผิดพลาดขึ้นมาได้อย่างนี้เราเรียกว่าไม่มีสติการจะมีสตินี้ต้องมีสติอยู่กับเรื่องใดเรื่องหนึ่งแต่ถ้าเรามีสติอยู่กับเรื่องงานที่เราทำเช่นงานบัญชีงานเขียนแบบงานอะไรอย่างนี้เราไม่เรียกว่าเป็นสติเพื่อทำใจให้สงบเพราะเป็นเป็นสติแบบที่ยังต้องใช้ความคิดอยู่ เราต้องการสติแบบที่ไม่ต้องใช้ความคิดเ อ, อ <S <S <S เราต้องไม่มีงานทำช่วงที่เราปฏิบัติธรรมนี้เราต้องเป็นช่วงที่เราหยุดทำงานกันแล้วงานที่เราทำาันก็เป็นงานที่ไม่ต้องใช้ความคิดเช่นงานอาบน้าอาบท่าอาบน้าอาบท่าล้างหน้าแปรงฟันแต่งเนื้อแต่งตัวรับประทานอาหารงานเหล่านี้ใช้ความคิดน้อยมากและเป็นงานที่เรายังจาเป็นจะต้องทาอยู่ งั้นเราก็เวลาทำงานเหล่านี้เราก็ต้องมีสติให้อยู่กับงานที่เรากำลังทำอยู่ถ้ามันไม่ยอมอยู่มันจะไปคิดเรื่องนั้นเรื่องนี้เราก็ให้มันอยู่กับกรรมบริกรรมพุทโธพุทโธไปดึงใจกลับมาอย่าปล่อยให้ใจไปคิดถึงเรื่องราวต่างๆนี่คือหน้าที่ของสติหรือหน้าที่ของกรรมฐานกรรมฐานคือที่ตั้งของสติ จะมีสติได้ต้องมีกรรมฐานต้องมีพุทธานุสติธรรมานุสติสังขานุสติหรืออาณาปณะสติหรือมรณานุสติคือการระลึกถึงความตายบางทีเราระลึกถึงความตายนี้มันอาจจะทําให้เราหยุดคิดได้หยุดกังวลได้บางทีเรากังวลกับเรื่องนั้นเรื่องนี้พอคิดว่าเดี๋ยวก็ตายแล้วมันก็เลยหยุดกังวลได้หยุดคิดได้ อันนี้ก็เลือกใช้กันได้ตามเจลิตมีถึงสี่สิบชนิดให้เลือกใช้กันเ <s> พราะว่าจลิตของแต่ละคนไม่เหมือนกันบางคนชอบของของแรงๆเช่อมอนมรณานุสติถึงจะหยุดคิดได้บางคนถ้าคิดถึงมรณานุสติแล้วใจหดหู่ใจไม่สบายอย่างนี้ก็ใช้ไม่ได้ <s> บางคนก็ต้องใช้พุโทโธใช้พุโทโธแล้วใจเย็นใจสบาย ใจไม่วุ่นวายก็ใช้พุโทโธไปบางคนก็ใช้การสวดมนต์ไปอิติปิโสอารหังสัมมาสวาสดาโตสุปฏิปันโนก็ใช้แทนกันได้แล้วแต่กรณีการเจริญสตินี้ยังไม่ใช่เป็นช่วงที่เรานั่งสมาธิเป็นช่วงที่เรายังมีการเคลื่อนไหวเดินไปเดินมาทำนู่นทำนี่เราก็ทาใช้ กรรมฐานใดกรรมฐานหนึ่งเพื่อคอยยับยั้งความคิดต่างๆให้คิดให้น้อยที่สุดให้คิดเท่าที่จําเป็นนจะต้องคิดเรื่องที่ไม่จําเป็นจะต้องคิดหยุดมันเช่นเวลาเราไปปฏิบัติธรรมบางทีเรายังไปคิดถึงบ้านคิดถึงคนที่บ้านคิดถึงเรื่องงานเรื่องการเป็นเรื่องที่เราไม่ควรจะคิดเพราะมันเป็นเรื่องที่ไม่เกี่ยวกับเราแล้วมันเป็นเรื่องที่ไกลตัวเราคิดไปก็ไม่เกิดประโยชน์อะไร ตอนนั้นเราต้องใช้กรรมฐานเช่นพุทโธพุทโธพุทโธหรือถ้าเรามีการเคลื่อนไหวเราจะเฝ้าดูการเคลื่อนไหวก็ได้เช่นเวลาเราเดินจงกรมเดินไปเดินมาให้มาจดจ่อดูที่เท้าเราก็ได้เวลาเราก้าวเท้าซ้ายก็รู้ว่าเราก้าวเท้าซ้ายเวลาก้าวเท้าขวาเราก็รู้ว่าก้าวเท้าขวาไปมองไปข้างหน้ามองไปทางเดินดูด้วยว่าข้างหน้ามีอะไร เพื่อเราจะได้ไม่ไปเหยียบเรือไปเตะหรือไปทำอะไรให้เกิดความเสียหายได้อันนี้ก็เรียกว่าการมีสติเหมือนกันคือการมีความระมัดระวังนี่แหละคือการมีสติเวลาเราทำอะไรถ้าเรามีความระมัดระวังนี่แสดงว่าเรามีสติกันถ้าเราไม่ระมัดระวังทำแบบเผลอเลย อ, อันนี้เรียกว่าไม่มีสติพอทำแบบเผลอเลยแล้วเดี๋ยวการกระทาก็จะเกิดการผิดพลาดขึ้นมาได้ จานก็อาจจะตกแตกได้แก้วก็อาจจะหลดมือแตกได้หรือไปหยิบอะไรไปตีอะไรเข้าได้โดยที่ไม่มีสติคอยเฝ้าดูการกระทำของเรานั่นเองนี่คือการจเจริญสติที่จำเป็นจะต้องเกิดขึ้นก่อนก่อนที่เราจะมานั่งสมาธิให้เกิดผลได้แต่เราเริ่มมานั่งเลยโดยที่เราไม่ได้ฝึกสติเราก็จะได้ตามกำลังของสติที่เรามีอยู่ ถ้าเราเป็นคนที่มีสติมากเราอาจจะไม่ต้องเจริญสติก่อนก็ได้ถ้าเรานั่งแล้วเราสามารถดูลมหายใจได้เลยเช่นพอนั่งปุ๊บก็บังคับให้ดูแต่ลมหายใจที่ปลายจมูกหรือที่หน้าท้องแล้วแต่ความถนัดบางสำนักก็สอนให้ดูลมที่หน้าท้องแล้วก็ว่ายุบหนอพองหนอเวลาลมเข้าไปในร่างกายท้องหน้าท้องมันก็จะพองขึ้นมาเวลาหายใจออก ลมออกจากร่างกายมันก็จะฟุบเข้าไปมันก็จะยุบเข้าไปนี่ก็คือวิธีของอนาปนาสติคือการดูลมหายใจเข้าออกเป็นเป็นกรรมฐานเป็นที่ตั้งของสติดูได้สองจุดดูที่หน้าท้องก็ได้แล้วอยู่ดูที่ปลายจมูกก็ได้ดูที่ปลายจมูกก็ให้ดูให้รู้ว่าลมเวลาเข้ามันจะสัมผัสอยู่แถวปลายจมูก จะรู้สึกลมอยู่แถวปลายจมูกก็ดูตรงจุดนั้นดูว่ามันกำลังเข้าหรือมันกำลังออกเท่านั้นเองไม่ต้องไปควบคุม บ, คบังคับลมอย่าไปบังคับให้หายใจลึกๆหายใจยาวๆหรือหายใจสั้นๆเพราะนี่เป็นการทำงานของใจของจิตที่เราไม่ต้องการให้จิตทำงา น, นเวลานั่งสมาธินี้เราต้องการหยุดการทางานของจิตหยุดคิดหยุดการ ควบคุมร่างกายให้นั่งเฉยๆให้ดูเฉยๆเท่านั้นให้รู้เฉยๆจิตถึงจะสามารถเข้าสู่ความสงบได้บางคนมีสติมากพอให้นั่งดูลมก็นั่งดูลมได้เลยแล้วก็ไม่ไปคิดถึงเรื่องนั้นเรื่องนี้ถ้ามีสติมากนี่นั่งห้านาทีสินาทีจิตก็รวมสู่ความสงบได้ความคิดที่มีอยู่ไม่มากก็จะหายไป แล้วใจก็จะว่างจะเย็นจะมีความสุขเกิดขึ้นมานี่คือผลที่เกิดจากการนั่งสมาธิถ้าเรามีสติมากๆจะไม่ใช้เวลามากจะใช้เวลาเพ่งดูลมประมาณห้านาทีสิบนาทีจิตก็จะเข้าสู่ความนิ่งพอนิ่งแล้วความคิดก็ไม่มีหรือจะรู้สึกเฉยๆจะไม่มีอารมณ์กับอะไรถึงแม้ว่ายังจะรับรู้รูปเสียงกลิ่นรสได้ก็ตาม แต่ใจจะไม่มีอารมณ์กับรูปเสียงกลิ่นรสที่ใจไปรับรู้ด้วยร่างกายจะเจ็บตรงนั้นบ้างเจ็บตรงนี้บ้างก็จะไม่รู้สึกเดือดร้อนจะรู้สึกเฉยเฉยได้ยินเสียงค่อยบ้างเสียงดังบ้างก็จะไม่รู้สึกลาคาญถ้าใจอยู่ในความสงบของสมาธิ ใ, ใจจะมีความสุขไม่เดือดร้อนกับเหตุการณ์รอบตัวรอบข้างที่เข้ามาสัมผัส หรือบางครั้งถ้ามีสติมากๆบางทีมันรวมแบบน่างกายหายไปเลยก็มีรูปเสียงกลิ่นรสต่างๆที่เรารับรู้อยู่ตอนนี้หายไปเลยเหลือแต่ความนิ่งความว่างอยู่ภายในใจเหลือแต่ความรู้คือผู้รู้อยู่ภายในใจตามลาพังอันนี้ก็เกิดขึ้นได้จากการนั่งสมาธิจะรวมได้สองแบบสงบแบบสองแบบ สงบแบบยังรับรู้เรื่องราวต่างๆคือรูปเสียงกลิ่นรสต่างๆได้และสงบแบบไม่รับรู้อะไรเลยร่นางกายหายไปจากการรับรู้ของใจเลยใจเหลืออยู่ตามนำพังของตนเองเพียงเพียงอย่างเดียวอันนี้ได้ทั้งสองแบบและเวลาสงบก็สงบได้แบบสองบแบบนี้สงบแบบรวดเร็วหรือสงบแบบค่อยเป็นค่อยไปบางครั้งก็คอยสงบทีละขั้นทีละขั้น บางครั้งก็สงบแบบตกหนุมตกบอ่อตกเหวพอพอบริการคนที่ตกบ่อตกหลุมตกบอ่อนี้มักจะเป็นพวกที่บริการพุทโธพุทโธพอบริการพุทโธพุทโธไปไม่ไปคิดถึงเรื่องราวต่างๆเดี๋ยวจิตก็มันก็รวมลงแบบตกหนุมตกบ่อตกเหวเลยตกจากที่สูงมาจะรู้สึกวูบลงม า, ลลงมาแล้วก็นิ่งสงบบางทีร่างกายก็หายไป เหลือแต่ผู้รู้เหลือแต่จิตอยู่ตามลำพังของตนแต่การที่มันจะเป็นแบบใดแบบหนึ่งนี้เราไม่สามารถไปบังคับมันได้มันอยู่ที่กำลังของสติของพวกเราฉะนั mm ้น hmm. ขอให้พวกเราสร้างสติให้มาก mm hmm. สติยิ่งมากทลายยิ่งดีเพราะจะทำให้นั่งได้สบายนั่งแล้วไม่รู้สึกอึดอัดนั่งแล้วจะไม่มีการรู้สึกเจ็บตรงนั้นปวดตรงนี้ขัด ขัดตรงนั้นขัดตรงนี้แ น, น, น, น, น่นตรงนั้นแน่นตรงนี้อาการเหล่านี้มันเกิดจากการไม่มีสติของเราที่ไปควบคุมใจนั่นเองพอเราไม่มีสติไปควบคุมใจใจมันก็เลยสร้างอาการเหล่านี้ขึ้นมาอาการเหล่านี้มันเกิดจากกิเลสที่มีอยู่ในใจของเรากิเลสมันไม่ชอบความสงบพอเวลาสงบแล้วกิเลสตัณหามันทำงานไม่ได้กิเลสตัณหานี้ต้องอาศัยเวลาจิตไม่สงบเวลาจิตคิดปรุงแต่งนี่ มันชอบเวลาจิตคิดปรุงแต่งกิเลสมันก็จะแทรกเข้าม า, าไปเอาไอ้นั่นดีไหมไปเที่ยวที่นั่นดีไหมไปดูไอ้นั่นดีไหมไปฟังไอ้นั่นดีไหมไปกินไปดื่มไอ้นั่นดีมเนยมันจะแทรกเข้ามาทันทีเพราะกิเลสมันชอบชอบรูปเสียงกลิ่นรสชอบทํานู่นทนํานี่ชอบได้นู่นได้นี่นั่นเองแต่เราต้องการที่จะหยุดความหยุดใจเพราะว่าสิ่งที่เราได้จากการกระทํตาตามกิเลสนี้มันเป็นความสุขกลอง มันเป็นความสุขชั่วประเดียวประเดาแล้วทำให้เราหิวเราโหยอยู่ตลอดเวลาต้องคอยหามาอยู่ตลอดเวลาแล้วเวลาใดที่เราไม่สามารถหามาได้เราก็จะทุกข์เราก็จะเดือดร้อนกันแต่ถ้าเราสามารถทำใจให้สงบได้กิเลสมันก็จะทำงานไม่ได้แล้วเราก็จะได้ความสุขที่ดีกว่าความสุขที่เราได้จากการทำตามกิเลสตัณหาเป็นความสุขที่เหนือกว่าความสุขทั้งปวง พระพุทธเจ้าทรงตรัสว่านัตสันติปรังสุขขังความสุขที่เหนือกว่าความสงบไม่มีนี่แหละคือความสุขที่แท้จริงอยู่ที่การทำใจของเราให้สงบการทำใจของเราให้สงบนี้ก็มีสองระดับสงบแบบชั่วคราวสงบด้วยสติแล้วก็สงบแบบถาวรคือสงบด้วยปัญญาแต่ก่อนที่เราจะไปทำ ความสงบระดับปัญญาได้แบบถาวรได้เราต้องได้ความสุขระดับชั่วคราวก่อนคือความสุขที่ได้จากการเจริญสติเช่นอนาปนานสติกายักตาสติเดินจงกรมเราก็ใช้กายักตาสติดูการเคลื่อนไหวของร่างกายเวลานั่งสมาธิเราก็ใช้อนาปนานสติก็ได้ดูลมหายใจเข้าออก หรือถ้าเราต้องการใช้คําบริกรรมเราก็ใช้พุท ธ, ธานุสติความจริงการใช้ mm. การเจริญสติเหล่านี้บางทีไม่จําเป็นจะต้องใช้ควบคู่กันเนีเช่นบางท่านคิดว่าเวลานั่งดูลมแล้วต้องมีการบริกรรมพุโทโธด้วยอันนี้ไม่ใช่เป็นความจริง mm. ความจริงคนดูลมอย่างเดียวโดยไม่ต้องมีพุโทโธก็ได้หรือหรือบริกรรมพุโทโธอย่างเดียวโดยไม่ต้องมีการดูลมก็ได้ แต่บางท่านนี้รู้สึกว่าอยากจะได้ทั้งสองอย่างอยากจะดูลมด้วยพุโทโธด้วยแต่เท่าที่ได้ยินได้ฟังมาเนะพวกที่ดูลมด้วยพุโทโธด้วยนี้มักจะไม่ได้ผลอะไรนะไม่เคยมีใครมาเคยเล่าให้ฟังว่านั่งดูลมพุทเข้าโทออกแล้วจิตจะรวมนี้ไม่เคยได้ยินนะจะได้ยินแต่พวกที่ดูลมอย่างเดียวหรือบริกรรมพุโทโธพุโทโธอย่างเดียวมากกว่าัน บางทีพวกเราอาจจะเข้าใจผิดถ้าเราไม่ได้ศึกษาไม่ได้ปฏิบัติไม่ได้ยินจากผู้ที่ปฏิบัติกันเราก็อาจจะคิดว่าเวลานั่งสมาธินี้ต้องพุทเข้าโทออกกันดูลมเข้าแล้วก็พุทว่าพุท ด, ดูลมออกก็ว่าโทอันนี้อาจจะเหมาะในเบื้องต้นเวลาที่จิตเรายังฟุ้งซ่านอยู่จิตเรายังคิดเรื่องนั้นเรื่องนี้อยู่ก็เอาความคิดมาคิดกับลมดีกว่ามาผูกไว้กับลมแต่มันต้องมีช่วงหนึ่งที่เราต้องหยุดพุทโทแล้ว ถ้าไม่ต้องหยุดพุทเข้าโทรออกแล้วล้วก็ดูเฉยๆดูลมเข้าเฉยๆดูลมออกเฉยๆมันถึงจะเข้าไปสู่ความสงบได้เล็กกว่าแต่เบื้องต้นถ้ายังมีสติมีกำลังไม่พอจิตมันยังแวบไปคิดเรื่องนั้นคิดเรื่องนี้อยู่ในเวลาที่เราดูลมเราอาจจะต้องอาศัยการใช้พุทโทรมาช่วยกำกับอีกด้วยหายใจเข้าก็ว่าพุทหายใจออกก็ว่าโทร บางคนก็ใช้วิธีนับก็ได้หายใจเข้าครั้งหนึ่งก็นับหนึ่งหายใจเข้าออกก็นับสองเพื่อที่จะได้เอาดึงความคิดเอาดึงใจให้มาคิดอยู่กับการนับหนึ่งสองสามแทนที่จะปล่อยให้ไปคิดถึงเรื่องนั้นเรื่องนี้อันนี้มันเป็นอุบายการปฏิบัติของแต่ละท่านในขณะที่เริ่มต้นในขณะที่จิตยัง ไม่มีกำลังพอไม่มีสติพอที่จะควบคุมบังคับให้จิตอยู่กับดูการดูลมได้อย่างเดียวหรืออยู่กับการบริกรรมพุทธโธได้อย่างเดียวก็ต้องใช้การอุบายผสมกันบางคนก็ดูลมเข้าแล้วก็นับหนึ่งดูลมออกก็นับสองไปอันนี้ทำได้แต่ในที่สุดต้องกลับมาอยู่กับเรื่องเดียว อยู่กับการดูลมอย่างเดียวหรืออยู่กับคําบริกรรมพุโทโธอย่างเดียวจิตถึงจะสามารถรวมเป็นหนึ่งได้เพราะการความสงบนี้จิตต้องรวมเป็นหนึ่งจิตจะต้องไม่คิดถึงเรื่องนั้นเรื่องนี้ให้รู้เฉยๆรู้ลมเรื่มรู้พุโทโธเฉยๆเท่านั้นจิตถึงจะเข้าสู่ความสงบได้และเวลาเข้าสู่ความสงบนี้เวลาระยะแรกๆนี้จะเข้าสู่ความสงบได้เพียงแป๊บเดียวนะ เพราะ ก, กาลังสติที่ดึงใจให้เข้าสู่ความสงบนี้ยังมีไม่มากพอเข้าไปได้ป้๊บหนึ่งแล้วก็เด้งออกมาเพราะกิเลสตัญหาความอยากนี้มันพยายามดันใจให้เราออกมาคิดมาหาความสุขทางราบยศสรรเสริญทางรูปเสียงกลิ่นรสตลอดเวลานั่นเองฉั้นเวลานั่งสมาธิช่วงแรกๆนี้เราจะได้คณิกะสมาธิคือจิตจะรวมเชื่อเดียเด๋ยววแบบหูลแลบลิ้นหรือแบบฟ้าแลบ พอสงบแล้วก็จะได้งออกมาเพราะกําลังสติยังมีไม่มากพอแต่ถ้าเราฝึกสติต่อไปเรื่อยๆต่อไปเรื่อยๆสติมากขึ้นหลังจากที่ออกสมาธิมาเราก็ต้องจเจริญสติต่อเลยต้องพุทโธพุทโธไปถ้าเดินเคลื่อนไหวทาอะไรก็เฝ้าดูการกระทําของร่างกายก็ได้แต่อย่าปล่อยให้ใจไปคิดเรื่องนั้นเรื่องนี้ อันนี้หมายถึงผู้ที่ปฏิบัติอย่างต่อเนื่องผู้ที่ไม่มีงานทำผู้ที่ไปอยู่สำนั ก, กสนักปฏิบัติเนี่ยจะสามารถปฏิบัติได้อย่างต่อเนื่องออกจากสมาธิมาก็มาเจริญสติต่อเจริญไปจะกระทั่งรู้สึกพร้อมที่จะกลับไปนั่งสมาธิใหม่ก็เข้ากลับไปนั่งสมาธิใหม่ครั้งต่อไปมันอาจจะสงบยาวขึ้นไปนานขึ้นไปถ้าจิตสงบนานขึ้นยาวขึ้นเราก็เรียกว่าอัปปนาสมาธิ เวลาจิตสงบมันก็จะมีความสุขอันนี้เราก็จะเปลี่ยนวิธีหาความสุขเมื่อก่อนเราหาความสุขจากรูปเสียงกลิ่นจากการไปเที่ยวจากการไปดูไปฟังไปกินไปดืม่มเราก็จะมาเปลี่ยนวิธีหาความสุขจากการนั่งสมาธิกันจากการเจริญสติกันต่อไปเราก็จะนั่งได้ทั้งวันหาความสุขจากสมาธิได้ทั้งวันแล้วถ้าเรา ต่อไปอยากจะให้ความสุขของสมาธิเป็นความสุขที่ถาวรเราก็ต้องปฏิบัติขั้นต่อไปเพราะความสุขจากสมาธินี้จะสุขแต่เฉพาะเวลาที่อยู่ในสมาธิพอเราออกจากสมาธิมาเลิกนั่งใจเราถ้าเวลาเราเผลอไม่มีการควบกลุ่มใจของเราก็จะคิดไปในทางกิเลสคิดไปในทางความอยากพอไปคิดในทางความอยากมันก็จะทำให้ความสงบที่เราได้จากสมาธิมันหายไป ถ้าเราอยากจะรักษาใจให้สงบต่อไปอย่างถาวรเวลาเกิดความอยากเราก็ต้องใช้ปัญญาปัญญาก็คือการศึกษาธรรมชาติของสิ่งที่เราอยากว่าเป็นอย่างไรว่าเป็นสุขหรือเป็นทุกข์กันแน่ส่วนใหญ่เราจะคิดว่าสิ่งที่เราอยากได้เป็นสุขกันอยากดื่มกาแฟต้องมีความสุขอยากกินขนมล้วมีความสุ ข, กกน ข, น แ, สขแต่เราไม่รู้ว่ามันเป็นความสุขชั่วคราวเป็นความสุขแบบ สุขปลอมนั่นเองพอได้มาแล้วกินเสร็จแล้วมันก็หมดไปดื่มเสร็จแล้วมันก็หมดไปแล้วก็ทำให้อยากดื่มใหม่อยากกินใหม่แล้วถ้าไม่ได้กินไม่ได้ดื่มก็จะเกิดความทุกข์ใจขึ้นมา เ, าเราต้องพิจารณาให้เห็นว่าสิ่งที่เราอยากได้เป็นทุกข์ทุกข์เพราะว่ามันเป็นความสุขชั่วคราวเป็นอนิจจังไม่เที่ยงเป็นนัตตาเราไม่สามารถสั่งให้มันเที่ยงได้สั่งให้มันให้ความสุขกับเรา กาแฟถ้วยเดียวแล้วก็อิ่มพอก็ไม่อยากจะกินกาแฟต่อไปนี้ไม่มีมีแต่กินถ้วยนี้แล้วเดี๋ยวต้องมีถ้วยที่สองถ้วยที่สองแล้วเดี๋ยวต้องมีถ้วยที่สามเนี่ยตอนนี้กี่ถ้วยแล้วเนี่ยตั้งแต่เริ่มกินกาแฟมาแล้วมันยังยังไม่หมดมันจะต้องกินไปเรื่อยๆมันถึงเป็นทุกข์เนี่ยเวลากาแฟหมดเวลาไม่มีเงินซื้อกาแฟหรือเวลาไปอยู่ที่ไม่มีกาแฟดื่มมันก็จะเกิดความทุกข์ขึ้นมานี่คือปัญญาต้องมองให้เห็นว่า สิ่งที่เราอยากได้มาให้ความสุขกับเรานี้เป็นความสุขปลอมเป็นความสุขชั่วคราวเป็นทุกขขังเป็นอนิจจังไม่เที่ยงเป็นอนัตตาเราไปสั่งให้มันเที่ยงไม่ได้สั่งให้มันให้ความสุขกับเราไปตลอดไม่ได้กาแฟถ้วยนี้ดื่มเสร็จแล้วจะให้เราอิ่มกับกาแฟจะทําให้เราไม่อยากจะดื่มกาแฟต่อไปมีไหมไม่มีภาพยนตร์เรื่องนี้ดูแล้วจะทําให้เราไม่อยากจะดูภาพยนตร์เรื่องอื่นอีกไปไม่มี ดูเรื่องนี้แล้วเดี๋ยวก็อยากจะดูเรื่องใหม่มันถึเรียกว่าอานิจจ์ ง, งมันไม่เที่ยงเมื่อมันไม่เที่ยงมันก็เลยทำให้เกิดทุกขังขึ้นมามันเป็นอนัตตาเราไปสั่งให้มันเที่ยงไม่ได้สั่งให้มันให้ความสุขกับเราไม่ได้ถ้าเราพิจารณาเห็นว่ามันเป็นอนิจจ์ทุกขังอนัตตาความอยากได้สิ่งนั้นก็จะหายไปพอความอยากหายไปความสงบก็จะกลับคืนมาทันที แล้วก็จะเป็นความสงบที่ถาวรเป็นความสงบที่เราไม่ต้องกลับเข้าไปในสมาธิต่ตอไปถ้าเราสามารถใช้อนิจจทุกข์อนัตตากำจัดความอยากต่างๆได้เอาไปความอยากที่มีอยู่ในใจของเราก็จะหายไปหมดไม่มีความอยาก เ, าเหลืออยู่ในใจใจเราก็จะมีแต่ความอิ่มความพอตลอดเวลาไม่หิวอะไรไม่อยากได้อะไรไม่อยากมีอะไรไม่อยากเป็นอะไรเพราะสิ่งที่ทาให้เราหิวเราอยากก็คือความอยากนี่ แต่พอเรากำจัดมันด้วยไตรลักษณ์ด้วยอนิจจังทุกขังอนัตตาต่อไปมันก็ไม่มีความอยากจะได้อะไรไม่มีความอยากเป็นอะไรไม่มีความอยากดูอยากฟังอยากดื่มอยากรับประทานอะไรต่อไปใจก็จะมีแต่ความสุขตลอดเวลานี่แหละคือความสุขที่แท้จริงความสุขความไม่ใช่ความสุข่างเพราะความสุขแบบนี้จะไม่มีความทุกข์ตามมาเพราะว่ามันสุขตลอดเวลานั่นเองมันไม่หายไป ที่เราเรียกว่าความสุขของพระนิพพานเป็นความสุขที่สูงสุดเกิดจากการชำระความโลภความโกรธความหลงความอยากต่างๆด้วยปัญญาให้หมดไปแต่ก่อนที่จะ ข, ขึ้นสู่ขั้นนี้ได้ต้องผ่านขั้นสมาธิก่อนก่อนจะผ่านขั้นสมาธิได้ก็ต้องผ่านขั้นรักษาสีแปดก่อนก่อนจะผ่านขั้นรักษาสีแ8ได้ก็ต้องรักษาศีห้าก่อนก่อนจะผ่านขั้นรักษาสีห้าได้ก็ต้องทาบุญทาทานให้ได้ก่อน ต้องเสียสละแบ่งปันไม่หวังจะใช้เงินทองซื้อความสุขต่างๆหวังที่จะใช้เงินทองนี้หาความสุขในทางทําใจให้สงบทําใจให้มีความสุขจากการทําบุญทําทานถ้าเราปฏิบัติเป็นขั้นเป็นตอนแะล้วมันก็จะพาเราไปสู่ลําดับสูงสุดต่อไปอย่างแน่นอนเหมือนกับการเรียนหนังสือสมัยนี้เราก็เริ่มที่อนุบาลกันแล้ว เ, เดี๋ยวก็เริ่มจากอนุบาลแล้วก็เข้าสู่ชั้นปรถม จากชั้นปรถมเราก็ขึ้นสู่ชั้นมัธยมจากมัธยมเราก็ขึ้นสู่ชั้นปริญญากันถ้าเรียนไปไม่หยุดเดี๋ยวก็ได้ปริญญาเอกกันอย่างแน่นอนแต่ในการปฏิบัติตามแนวทางที่พระเจ้าทรงสั่งสอนก็เช่นเดียวกันถ้าเราปฏิบัติตามขั้นตามตอนนล้วปฏิบัติแบบไม่หยุดแล้วเดี๋ยวเราก็จะไปถึงขั้นสูงสุดเองคือขั้นพระนิพพานอย่างแน่นอนนี่คือวิธีการหาความสุขที่แท้จริง ที่เอามาฝากท่านในวันนี้ก็คิดว่าพอสมควรแก่เวลาจะขออนุโมทนาให้พรยาถาวะเรวาหาปุราปริกปุเรนติสากลังเอวเมวะอิตตชินางเบตานางอุปกปตปิอิชิตังปฏิตังตุมหังคิะเมวะสมิชฉตุสัพเพปุเรนตุสังกปา นันโทปนะอรัสยาทามิจโชติอระัสยาทาสัพพิตโยวิวัจฉันตุสัพพโลกวินาศตุมัเตภวะตุอันตระโยสุขิติขายุโกภวะอภิวาธนาสีลิสะริจจังวุทธาปจายโน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 ทางบ้านจาะเพระอาจารย์สุชาติอภิชาโตสา7 facebook บพ อ, อจอสุชาติอภิชาโต49ยอดรวม facebook 4่ร้อยหกยูทวิทยุออนไลน์ 14, 14 Zo ูผู้รับฟังนาคุติ145รวม717ท่านค่ะคาถามจากผู้รับฟังนาคุติค่ะ ขณะที่กําลังนั่งสมาธิได้สักระยะหนึ่งจะมีความรู้สึกว่าเหมือนมีหินหนักๆมากดทับที่บ่าและไหล่เราจะมีวิธีแก้ไขอย่างไรดีครับ อ, อ๋อไม่ต้องแก้ไขเราเป็นเป็นเรื่องของจิตที่มันมักจะสร้างเรื่องราวต่างๆมาหลอกมาล่อเราดงั้นวิธีดีที่วิธีปฏิบัติกับเขาก็คืออย่าไปสนใจให้เราสนใจอยู่กับการภาวนาของเราถ้าเราดูลมก็ดูลมไปอย่าไปสนใจ ถ้าพุโทโธก็พุโทโธไปอย่าไปสนใจพอเราไปสนใจแล้วเราจะหยุดพุดโทโธหยุดดูลมแล้วเราก็จะชังนักอยู่ตรงนั้นก็ <c oughs> นนจะไม่สามารถก้าวหน้าไปต่อไปได้หนูมีแผ่นสติ๊กเกอร์อยู่เปล่าทั้งมีสติ๊กเกอร์ไหมยีไม่มี ห, หมดแล้วถ้ามีสติ๊กเกอร์มันจะบอกเว็บไซต์เป็นภาษาอังกฤษอะไรในหนังสืออาจจะมีก็ได้ หนังสืเล่มใหญ่นดูด้านหลังอาจะมีมีเว็บมีมีที่อยู่ให้ครับเข้าถึงได้ลองเปิดดูแล้วกันคำถามจากคุณชัดชาเมื่อก่อนหนูอยู่บ้านตึกแถวตั้งแต่จำความได้จนอายุยี่สิบสองหนูเคยเลี้ยงแมวไว้จับหนูตลอดระยะเวลายี่สิบปีเลี้ยงแมวไว้เยอะมากจนคุณแม่เอาไปปล่อยที่ตลาดและโดนหมากัดตายไปบ้าง ตอนนี้ย้ายออกมาเจ็ดปีแล้วแต่ตลอดระยะเวลาคือจะฝันถึงบ้านตึกแถวแลนะเกือบทุกครั้งจะมีแมวมากมายโดยแมวจะหิวมากร้องขออาหารตลอดเวลาหนูควรจะทําอย่างไรดีเพราะคิดว่าวิญญาณแมวหลายๆตัวอาจจะอยู่บ้านหลังนั้นด้วยความหิวโหวยหนูควรจะไปทําบุญอย่างไรควรกลับไปที่บ้านนั้นและเอาอาหารไปวางไว้ไหมคะไปวางไว้ไหมคะก็ไม่รู้ว่ามีแมวหรือเปล่าที่บ้านนั้น ถ้ามีแมวเราอยากจะเลี้ยงแมวก็ไปแต่ถ้าคิดว่าแมวตายไปแล้วเราก็ทำบุญอุทิศบุญไปให้เขาแทนได้จะคุณมลิวรรณโยมนั่งเก้าอี้ดูลมได้ประมาณชั่วโมงครึ่งมีเวทนาบ้างแต่ก็พยายามดูลมต่อไปแต่มีอาการปวดศรีรษะทีไ่ไม่สามารถผ่านไปได้ค่ะควรทำอย่างไรดีเจ้าคะก็แสดงว่าสติเรายัางมีไม่มากพอ ก็ลุกขึ้นมาเดินจงกรมก่อนเดินจงกรมสร้างสติให้มากมากก่อนเดินจงกรมไปพุโทโธไปหรือดูเท้าไปซ้ายขวาซ้ายขวาไปเดินานานๆบางทีต้องเดินเป็นชั่วโมงแล้วจะมีสติมากแล้วต่อไปเวลานั่งจะไม่มีอาการต่างๆขึ้นมารบกวนใจคุณนวราชเวลาเราทำบุญแล้วเราจำเป็นต้องอธิษฐานไหมคะ ถ้าเราอธิษฐานให้แต่คนอื่นแล้วตัวเราจะได้บุญในส่วนนั้นไหมเจ้าคะเวลาเรากินข้าวเราต้องอธิษฐานด้วยอ่ะกินข้าวขอให้อิ่มขอให้อิ่มไม่ต้องขอหรอกมันก็อิ่มเวลาทําบุญขอให้ได้บุญไม่ต้องขอหรอกทาบุญมันก็ต้องได้บุญอยู่แล้วไม่ต้องไปขอแต่ถ้าเราทำบุญแล้วขอให้ร่ําให้รวยให้สวยให้หล่อนี่ไม่ได้อยู่ดีเพราะการทําบุญไม่ได้ทําให้เรารวยหรือทำให้เราสวยเราหล่อ คุณศักดิ์สิทธิ์การที่ผมจะซื้อสลากธนาคารผิดสินห้าไหมครับเพราะผมจะซื้อเพื่อการลงทุนกลัวจะผิดสินห้าเลยอยากเรียนถามพระอาจารย์กอนอ<ม>ครับไม่ผิดหรอไม่ผิดหรอเป็นการ เ, าเป็นวิธีฝากเงินอีกแบบหนึง่งฝากเงินแบบมีโอกาสที่ได้มากกว่าปกติหรืออาจจะได้น้อยกว่าปกติก็ได้เขาไม่ให้เลือก มีโอกาสได้ทั้งได้มากกว่าปกติหรือได้ต่ำกว่าปกติเท่านั้นเองแต่ก็เป็นเป็นวิธีล่อใจคนที่ชอบอยากจะได้มากกว่าปกติดีไม่ดีกับได้น้อยกว่าปกติพอ <c oughs> ไม่ถูกเลยคุณระวีวรรณชอบหงุดหงิดเรื่องเดิมซ้าๆทำอย่างไรดีคะ ไม่ไมีมุ ต, ติไม่มีสติพุโทโธไปเม่อลังหุห่นเยดก็พุโทโธพุโทโธไปสวดอิติปิโสไปแล้วใจก็จะเลิมเรื่องหุ่นเย็ดเราไม่มีอะไรคอยควบคุมใจมันก็เลยสร้างเรื่องหุห่นเยดมาให้เรามุ่นเย็ดได้แต่พอเราสวดอิติปิโสไปท่องพุโทโธไปอาการหุ่นเย็ดก็จะหายไปคุณพิตัศนถ้าเราไปถึงพระนิพพานแล้วมีความสุขแล้วจะทําอย่างไรต่อไปครับ ก็ไปสอนคนอื่นต่อเหมือนพระพุทธเจ้านะคุณวาชิตอนเด็กๆ เ, เคยยิงนกตกปลาประษาเด็กพอโตกลัวบาปกรรมไม่ทำอีกเพราะรู้แล้วว่าถ้าได้เกิดเป็นคนอีกจะรู้อย่างนี้จะบาปกรรมต่อไปไหมหรือต้องลองผิดลองถูกใหม่อยู่เรื่อ ย, เ, อยเมื่อเกิดใหม่ครับก็แล้วแต่ว่าเป็นความสำนึกที่มันเ<ม>ลอกหรือไม่เลึกอ่ะ ถ้าไม่ลึกเดี๋ยวมันก็ลืมได้แต่ถ้ามันนึกขึ้นมันก็จะไม่ลืมหรือลืมยากก็ขึ้นอยู่กับความสำนึกของจิตของเราคุณพาสอนองค์ุลิมานฆ่าคนตายจํานวนมากแล้วสําเร็จเป็นพระอาหารหันต์ไม่ต้องไปรับกรรมหรือเจ้าคะอ๋อถ้าเป็นพระอาหารหันต์แล้วก็เวลาตายไปก็ไม่ไปเกิดอยเองเพราะไม่ไปเกิดก็ไม่มีที่ไปรับกรรม คนที่เกิดเท่า น, นั้นน่ะถึงยังต้องไปรับกรรมต่อคุณพีดีพีกายคตาสติการมีสติรู้อยู่กับร่างกายรู้ตัวว่ากำลังทำอะไรอยู่มันจะทำให้เราเข้าไปยึดติดกับร่างกายหรือเปล่าคะยิ่งเวลาเกิดแก่เจ็บป่วยกายเคลื่อนไหวไม่ได้ไม่มีกายให้ดูจะเป็นทุกข์มากขึ้นไหมคะไม่ยึดติดละเพราะเราดูเฉยเฉ เราเพียงแต่ดูเพื่อไม่ให้ใจเราไปคิดถึงเรื่องนั้นเรื่องนี้ทั้งเองแต่เรื่องยึดติดมันก็ยึดติดอยู่แล้วตามธรรมชาติของกิเลสที่ยังมีอยู่ในใจจะทำให้การยึดติดร่างกายหายไปก็ต้องใช้ระดับปัญญาให้พิจารณาเห็นไตรลักษณ์ในร่างกายถึงจะปล่อยวางไม่ไปยึดติดกับร่างกายได้คำถามต่อเนื่องนะคะสำหรับพระโสดาบันจนถึงพระอรหันนี้ ใจจะไม่แปรปรวนบางวันสุขบางวันเศร้าแล้วหรือเปล่าคะหรือว่ายังรู้สึกอยู่แต่สามารถอยู่กับมันได้พระ อ, อริยะสามขั้นแรกนี้ยังมีสุขมีทุกข์สลับกันไปแต่น้อยลงไปตามลําดับของการปฏิบัติจนถึงขั้นพออรนะอรหันต์ความทุกข์ทั้งหลายถึงจะหายไปหมดเหลือแต่ความสุขเพียงอย่างเดียวคุณอ๊ช่วงที่พระอาจารย์บวชใหม่ๆ พระอาจารย์ปฏิบัติอย่างเดียวพระอาจารย์ปฏิบัติอย่างเดียวโดยพระอาจารย์ได้ติดตามข่าวสารบ้านเมืองไหมเจ้าคะอ๋อไม่ติดตามเลยไม่มีวิทยุไม่มีหนังสือพิมพ์ตอนนั้นไม่สนใจสนใจมีแต่หนังสือธรรมะอ่านสมัยนั้นก็ไม่มีสื่อต่างๆก็เลยดีอย่างหนึ่งแล้วเราก็ไม่คบค้าสมาคมกับใครอยู่คนเดียวไม่ติดต่อกับใครพตฉะนั้นมันรู้สึกว่ามัน มันติดใจธรรมะอ่านหนังสือธรรมะแล้วมีความสุขปฏิบัติธรรมแล้วมันมีความสุขสุขเพราะไม่ต้องเสียเงิ น, <c oughs> นความสุขยังเงินมันทุกทุกเพราะพองกันหมดก็ต้องไปหาเงินมาใหม่แล้วมันเลยติดธรรมะมากกว่าติดความสุขทางอื่นคุณอุความเบื่อเป็นความทุกข์ที่เกิดจากการนั่งสมาธิไม่ได้ชานใช่ไหมคะ ความเบื่อเกิดจากความอยากของจิตอยากได้นู่นอยากได้นี่พอไม่ได้ก็เบื่อแต่ถ้าทำใจให้สงบได้ความเบื่อก็จะหายไปเพราะความอยากถูกระงับไปคุณมิกกี้อยากทราบว่าถ้าเราถือศีลแปดโดยรับประทานอาหารเพียงมื้อเดียวจะทำให้เกิดโรคภัยไข้เจ็บจากการขาดสารอาหารหรือไม่ครับ ผมเกรงว่าถ้าทานอาหารเพียงมื้อเดียวจะทำให้ขาดสารอาหารแล้วเกิดโรคภัยไข้เจ็บจนไม่สามารถปฏิบัติต่อได้ครับก็ดูพระสงฆ์สาวกดูพระพุทธเจ้าท่านกระฉันมื้อเดียวเท่านั้นไม่เห็นท่านมีปัญหาเลยดีไม่ดีอายุท่านย า, ยาวนานกับเราสิหลวงตู่หลวงตาบางรูปเก้าสิบกว่าร้อยกว่าโรคภัยไข้เจ็บก็ไม่มีเหมือนพวกเรากินหลายมือ้อ กแล้วก็โรกอ้วนก็นตามมาขมันอุดตันเบาหวานโรคตับโรคไตโรคอะไรหลายแปดปพันประกาศตามมาหมดนะไม่ต้องกลัวถ้าฉันมือเดียวเป็นปัญหาว่าพระเจ้าไม่สอนให้ให้ปฏิบัตินี่เป็นธุดงขวัชฉันมือเดียวสิ่งที่จะตายก็คือกิเลสความหิวความอยากกินร่างกายไม่ตายรับรองแล้วไม่เป็นโรคเป็นภยัยจะเป็นร่างกายที่แข็งแรงเพราะว่า ไม่มีของเกินที่เข้าไปทำให้เป็นพิษเป็นภัยต่อร่างกายของต่างๆที่เรากินเนี่ยมันถึงแม้มันจะมีประโยชน์แต่ถ้ามันมากเกินไปมันก็กลายเป็นโทษขึ้นมาคุณพิตุมการที่เราช่วยเหลือญาติพี่น้องและคนรอบข้างที่เขาลาบากเช่นเวลามีญาติมาขอยืมเงินแตเราบอกว่าไม่ต้องยืมเอาไปเลยและเวลาเจอ คนรอบข้างลําบากเราก็คอยช่วยเหลือให้ข้าวให้น้ําให้เงินเขาไว้ใช้การกระทําแบบนี้จะได้บุญหรือไม่ครับได้ก็เป็นการทําบุญทําทานอีกแบบหนึ่งหมดแล้วเหรอท่้งหมดแล้วโอเคในมงคอลสูตรนี้ท่านสอนการทําบุญหลายแบบเล้ยดูบิดามารดาก็เป็นการทําบุญเป็นมงคลปนะูชาแล้วก็ มาตาพิตูอุปทานังการอุปถากบิดามารดา mm. การสงเคราะห์ญาติสนิทมิจฉา mm. การเลิ้ยงบุตรธิดา mm. ก็เป็นบุญเป็นบุญเหมือนกันทําแล้วทําให้เรามีความสุขใจนั mm. ้นทำไปแม้กระทํากับสุนัข ก, ก็มีความสุขทํากับนกกับปลาก็มีความสุขปล่อยนกปล่อยปลาแล้วเห็นเขามีสลรภาพเห็นก็มีความสุขเราก็เกิดความสุขตามมา งั้วิธีการใดก็ตามที่เราทําให้คนอื่นเขามีความสุขนั้นเรียกว่าบุญ ท, ท, ท, บทั้งนั้นไม่จําเป็นว่าจะต้องทําที่วัดทำกับพระเท่านั้นถึงจะเกิดบุญบุญคือความสุขใจความสุขใจที่เกิดจากการให้จากการเสียสละแบ่งปันงั้นผู้รับนี้ไม่จําเป็นจะต้องเป็นพระอย่างเดียวเราสามารถเลือกให้คนท่านนิตต่างๆได้ตามที่เราปรารถนา เราชอบพระเราก็ไปให้พระเราชอบเด็กพิการแล้วก็ไปให้เด็กพิการเราชอบสุนัขเราก็ไปให้สุนัขได้ทำแล้วเราจะเกิดความสุขใจขึ้นมาอันนั้นหละคือบุญตัวบุญก็คือความสุขใจอิ่มใจจากคุณพัน์สอนคุณพัน์สอนขออภัยค่ะเมื่อกี้ถามผิดคืออยากจะถามว่าก่อนที่องคุลิมาจะสำเร็จพระอรหรันท่ั่นได้ทำกรรมมาเยอะ แล้วกรรมไม่พาท่านไปรับกรรมก่อนจะสําเร็จพระอรหันต์หรือเจ้าคะก็บุญของท่านมันมากกว่ากรรมเลยตอนนั้นคือแรงศรัทธาที่จะปฏิบัติธรรมนี้มันมากกว่าก็เลยไปปีกวิเวกอยู่ในป่าคนเดียวมันก็ไม่มีใครมาทํากรรมให้กับท่านได้แต่ถ้าไปยังมีอยากไปกินเหล้าเมายายังอยากไปเที่ยวคนนู้นคนนี้เดี๋ยวก็ไปตีกันนะ ไ, ปไปตามมาตามผับเลย guidelines. เพราะบุญมันมีกำลังมากกว่าดึงให้ใจไปอยู่ที่ไม่มีที่จะมาสร้างกรรมให้กับท่านให้ผลกรรมกับท่านมันก็ยังไม่มีผลกรรมเกิดขึ้นท่านก็เลยใช้เวลช่วงนั้นเป็นการปฏิบัติธรรมพอท่านออบรรลุแล้วทีนี้ถึงแม้จะมีผลกรรมตามมาท่านก็ไม่เดือดร้อนเช่นได้ข่าวว่าบางทีท่านไปตามหมู่บ้านที่เขาจาท่านได้เขาว่าไล่เพียงด้วยก้อนห็นเนะพราะ เขารู้ว่าท่านไปฆ่าคนในหมู่บ้านมาก็ยังต้องรับกรรมอยู่ในขณะที่ยังมีร่างกายอยู่แต่ใจไม่ทุกข์ไม่เดือดร้อนกับผลของกรรมที่ตนเองกำลงังรับอยู่ในขณะนั้นคุณขวัญชัยเคยพูดต่อว่าพ่อแม่ว่ากินเหล้าเล่นไพ่เป็นบาปจะมีวิธีแก้ไขไหมครับก็ที่ผ่านไปแล้วก็ผ่านไปอย่าไปทาซ้าซ้อนกําลัางกัน พ่อะม่เป็นบุคคลที่เราต้องเทิดทูนบูชาเคารพนับถืออย่าไปว่ากล่าวตักเตือนท่านไม่ใช่ฐานะของเราถ้าอยากจะสอนท่านต้องสอนแบบพ้อมค้อมสอนเรื่องของคนอื่นแต่เป็นเหมือนเรื่องของของพ่อแม่อย่างเงี้เล่าเรื่องของคนอื่นให้เขาฟังแต่มันก็ให้เขาถ้าเขามีสติเขาอย่ะนึกขึ้นมาว่า เ, เราก็เหมือนเขาหนีว่วอง อย่างน้อยเราไม่ได้สอนโดยตรงบอกพ่อทําอย่างนี้พ่ออย่าทําอย่างนั้นพ่ออย่ากินเหล้านะนี่มันสอนไม่ได้เพราะผู้ใหญ่เขาไม่ยอมรับคําสอนของลูกของเด็กหรอกนอกจากว่าเขาเขาลบเา เ, าเชื่อว่าเรารู้เก่งกว่าเราแล้วเขาอยากจะได้ความช่วยเหลือจากเราแล้วเขาขอร้องเท่านั้นนะ่ะก็จะฟังเราอย่างถ้าจะสอนพ่อสอนแม่ต้องร้อยเขาถามเราก่อนว่าเฮ้ยทำยังงี้ดีไหมลูกกินเหล้าเมายาดีไหม เราก็บอกได้ไม่ดีครับอะไรก็ว่าไปแต่ถ้าอยู่ดีๆอย่าไปบอกอย่าไปบอกเอาหนังสือธรรมะธรรมะไปวางไว้ท่านอ่านดีกว่าแล้วเดี๋ยวถ้า น, นพออ่านแล้วท่านก็จะรู้จะเข้าจะเข้าใจเองคุณ NTM การนั่งสมาธิจําเป็นต้องมีครูบาอาจารย์นำนั่งไหมคะ เ, ออเวลานั่งไม่ต้องมีคนมานั่งด้วยเพราะเป็นการปฏิบัติตามลำพังของเรา ยิ่งอยู่คนเดียวได้ยิ่งได้ผลดีกว่าอยู่นั่งหลายคนนั่งหลายคนเดี๋ยวคนนั้นไอบ้างเดี๋ยวคนนั้นขยับบ้างเดี๋ยวคนนั้นส่งเสียงดังอะไรขึ้นมามันก็มาลบกวนใจเราแต่ถ้าเรานั่งคนเดียวนี่มันจะมันจะทำให้เรานั่งได้สงบวกว่ายกเว้นว่าถ้าเรายังไม่มีสติไม่มีกำลังเรานั่งคนเดียวยังดุกดิกดกดิกอยู่บางทีนั่งนั่งกับครูบาอาจารย์มันก็ไม่กล้าขยับได้ เป็นบงทีเวลาพระเนรไปฟังเทศสัธรรมจากครูบ า, าจารย์นี้ขยับไม่ได้เลยในะเวลาท่านแสดงธรรมเรานั่งฟังไปอย่างเดียวก็เป็นได้การฝึกสมาธิไปในตัวด้วยอันนี้ก็ทําได้แต่โดยโดยโด ย, โดยส่วนใหญ่แล้วเราต้องนั่งตามลําพังเพราะว่าเราจะให้ครูบ า, าจารย์มานั่งกับเราทุกเวลาได้อย่างไรแล้วท่านก็มีลูกศิษย์ลูกหาไม่ใช่คนสองคน งั้นก็มานั่งตอนที่เราท่านแสดงธรรมเนี่ยท่านั้นเนีย่ยญาติโยมบางคนนั่งสมาธิไม่ได้ก็มานั่งฟังธรรมแทนเพราะนั่งฟังธรรมแล้วคนรอบข้างเขาก็นั่งเฉยๆเราจะไปขยับดุกดิกมันก็น่าเกลียดเนี่ยมันก็เลยบังคับให้เราต้องอดทนต้องนั่งทนนั่งเฉยๆฟังธรรมไปใจก็เลยได้ความสงบบ้างไม่มากก็ตามถึงแม้ไม่มากก็ดีกว่าไม่ได้เลยคุณมิกกี้ ในขณะนั่งฝึกสติโดยใช้การดูลมหายใจหรือภาวนาพุโทโธตามที่พระอาจารย์สอนผมเกิดอาการปวดหลังจะต้องทําอย่างไรต่อครับก็ไม่ต้องไปสนใจนั่งต่อไปปฏิบัติต่อไปจนกว่าทนไม่ไหวท่านั้นถึงก็ต้องลุกไปแต่ถ้านั่งได้ฝืนได้ไม่ไปสนใจกับมันได้ดูลมไปพุโทโธไปได้ก็ทําต่อไปนี้ไม่ดีเดี๋ยวพอจิตสงบแล้วมันจะไม่ลาคาญกับอาการเจ็บหลังของเรา คุณนตี้ถ้าเราปฏิบัติธรรมแต่ไม่ได้เลี้ยงดูบิดามารดาแต่ถ้ามีโอกาสก็ตอบแทนท่านอย่างนี้ถือว่ายังขาดความกตัญญูไหมคะก็ขึอยู่กับว่าท่านต้องการความช่วยเหลือการดูแลของเราหรือไม่ถ้าท่านไม่มีใครดูแลท่านดูแลตัวท่านเองไม่ได้แล้วเราไปปฏิบัติธรรมนี้ก็เรียกว่าเราทอดทิ้งท่านเราก็ต้องดูแลท่านก่อนแล้วค่อยไปปฏิบัติธรรมของเรา ถ้าท่านดูแลตัวของท่านได้เราก็ไม่ต้องมาดูแลท่านก็ได้หรือเราอาจจะส่งเงินส่งทองมาให้ท่านช่วยสนับสนุนการดูแลของท่านไปพา ง, งพังก่อนหรือจ้างเด็กจ้างใครมาดูแลแทนก็ได้ถ้าเราต้องการไปปฏิบัติธรรมคุณเมรลินป๊อปคำว่าสัปปายะเพื่อส่งเสริมการเจริญสติตื่นรู้หมายความว่ายอย่างไรครับคําว่าสัปปายะเป็นภาษาบาลีแปลว่าสบาย สัปปายะแปลว่าสบายเอนเราต้องมีสถานที่ที่สบายในการปฏิบัติร้อนเกินไปก็ไม่ดีหนาวเกินไปก็ไม่ดีต้องอากาศสบายสบายเลือกสัปปายะมีสัปปายะอยู่ห้าหอย่างด้วยกันคือสถานที่สัปปายะบุคคลที่เราปฏิบัติด้วยก็ต้องสัปปายะคือปฏิบัติไปแนวทางเดียวกันไม่ใช่เราปฏิบัติพุทโธเขาปฏิบัติยุบหนอพองหนอ่อแล้วก็มานั่งถกเถียงกัน อย si ่างนี้ก็ไม่สับปายะบุคคลที่สัพปายะยังก็คือมีครูมีอาจารย์ที่สามารถสอนเราได้อันนี้ก็เรียกบุคคลสัพปายะอาหารสัพยะอาหารต้องกินอาหารที่เรากินได้ไม่ไม่ฝืนไม่วักไม่ไม่ต้องบังคับกินแล้วก็ไม่มีอาการทาให้เกิดเจ็บไข้ได้ป่วยท้องเสียอะไรเป็นต้นอันนี้ก็เรียกว่าอาหารสัปปายะอากาศสัพปายะอากาศก็ต้องไม่ ไม่ไม่ร้อนเกินไปไม่หนาวเกินไปนี่คือสปายะต่างๆที่เราต้องพิจารณาเวลาที่เราปฏิบัติธรรมกันเพื่อที่จะได้สนับสนุนการภาวนาของเราให้ก้าวหน้าไปได้อย่างสะดวกรวดเร็วคุณพีดีพีกราบขอพระอาจารย์สอนวิธีเดินจงกรมที่ถูกต้องค่ะแล้วมือต้องกุมไว้ที่ด้านหน้าหรือไขว้หลังคะ โดยมารยาทด้วยความสวยงามท่านให้ไว้ข้างด้านหน้าอยู่พนมเหมือนกับนั่งสมาธิเพียงแต่ว่าเอาเอามือซ้ายทับมือขวาไว้แล้วก็เดินแบบอาการสัมรวมเมือเวลาเราก็าหาผู้หลักผู้ใหญ่คนที่เข า, เ, าเป็นใหญ่เป็นโตเวลาเราเข้าไปเราก็ต้องมีอาการสำมรวมไม่ใช่เดินแบบควาเอาเอามือควายหลังอันนี้เป็นเดินแบบเจ้านายเดิน เราไม่สวยงามท่านให้เดินแบบผู้น้อยอ่อนน้อมถ่อมตนเราจะดูสวยงามเป็นผู้สมร t แล้วก็เวลาเดินก็ให้มีสติอยู่การเดินก็ได้ดูเท้าแล้วก็ดูทางด้วยดูทางที่เราเดินกับดูเท้าไปพร้อมๆกันก้าวเท้าซ้ายก็รู้ว่าซ้ายก้าวเท้าขวาก็รู้ว่าขวาหรือถ้าเราไม่ดูเท้าเราจะใช้คำบริกรรมพุทธโธพุทธโธไปก็ได้ แต่ก็ต้องแต่ก็ต้องดูทางเดินไปด้วยเดี๋ยวไปเดินไปเหยียบงูหรือเดินไปเตะนูน่นเตะนี่ขึ้นมาได้ต้องดูดูทางด้วยแล้วก็ใจก็อาจจะพุโทโธพุโทโธไปแล้วดูดูซ้ายขวาไปก็ได้นี่คือการเดินจงกมคือเพื่อเป้าหมายก็คือไม่ให้ไปคิดเรื่องนั้นเรื่องนี้นั่นเองต้องการหยุดความคิดโดยการดึงใจมาคิดเรื่องที่ที่กำลังเกิดขึ้นในปัจจุบัน คุณวรารินเวลาสวดมนต์แล้วง่วงมีวิธีอะไรที่จะแก้ไขไหมคะลุกขึ้นมาสวดเดินเดินสวดได้สวดในใจสวดในทิพิโสสวดอะไรไปภาในใจไปเดินจงกรมไปเดินไปแล้วสวดไปหรือสวดสั้นๆก็ได้สวดพุทโธก็ไดการสวดมนต์ก็เป็นการสวกสตย์อย่างหนึ่งเท่านั้นเองถ้าเรานั่งสวดไม่ได้เราลุกขึ้นมาเดินจงกรมแล้วท่องพุทโธไปในใจก็ได้แทน หรือส่วนเอทีปิโสส่วนมนุนไปภายในใจได้ก็ส่วนได้ผู้ไม่ประสงค์ออกนามพ่อของดิฉันบวชได้หนึ่งพรนษาแล้วแต่ดิฉันไม่เคยไปทําบุญกับพ่อเลยไปทําบุญแต่ที่อื่นอันนี้ดิฉันผิดไหมคะก็ไม่รู้เหมือนกันผิดหรือเปล่าทำบุญที่อื่นมันก็ไม่ผิดไม่ได้ทําบุญกับพ่อก็ขาดความเมตตาขาดความความความห่วงใ ย, ยกันมั้ง ก็เลยไม่เหลียวแลท่านเพาท่านเป็นพระควรจะไปไปดูแลท่านเพราะพระที่ท่านไม่มีผู้ต้องอาศัยผู้อื่นมาคอยอุ ป, ปถามาคอยดูแลแล้วถ้าเราเป็นลูกเราไม่ไปดูแลท่านเลยมันก็อาจจะหมายความว่าเราไม่มีความเมตตากับท่านข้อสุดท้ายนะข้อสุดท้ายแล้วคำถามสุดท้าย คุณพิตุม้มถ้าเราเจอเงินตกอยู่ที่หน้าแผงที่เขาขายของชำแล้วเราหยิบเงินนั้นตั้งไว้หน้าแผงของเขาเป็นการทำบุญด้วยหรือไม่ครับไม่หรอกก็เป็นเงินของเขาเร า, เราไม่ได้ถ้าเราจะทำบุญลราต้องเงินของเขาไปวางไว้ที่หน้าแผงเงินเขาตกไว้เราเพียงช่วยหยิบขึ้นมาวางไว้เพื่อให้เขาได้เห็นเท่านั้นเองยังไม่ได้เป็นการทำบุญด้วยการให้เงินเขาอาจจะเป็นการทาบุญด้วยการ ช่วยให้เขารู้ว่าเงินของเขานี้ตกหล่อนอยู่ก็เป็นบุญอย่างหนึ่งเหมือนกันรับใช้ผู้อื่นช่วยเหลือผู<ด>้อื่นเราแนี่วันนี้ก็คิดว่าพอสมควรแก่เวลาก็ขอให้ท่านตรงนำเอาสิ่งที่ได้ยินได้ฟังไปพิจิพิจารณาไปปฏิบัติเพื่อความสุข pairs, ความเจริญก้าวหน้าในธรรมยิ่งยิ่งขึ้นไปเธอด